นาปฏิวนันพิสูตต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ656 1อิกษนูอยู่ปราดหกราตรี2อพิสูุอยู่ปราดยันกว่า6กราตรี3าพิสูุอยู่ปราดหกราตรีแล้วกลับมาคำมาสีมาแล้วจากไป4ีพิกษุถอนผ้าภายในหราตรี5้พิสูตสลับให้ภายในหราตรี6กพิกษุที่มีจีวันสูนหายภายในหราตรีเจด ภิกษุที่มีจีวรฉีบหายภายในหราตรี8ปภิกษุที่มีจีวรถูกไฟไหม้ภายในหราตรี9กภิกษุที่มีจีวรถูกโจรชิงเอาไปภายใน6ราตรี10บภิกษุผู้มีจีวรถูกถือเอาไปโดยวิสาสะภายในหกราตรี11บภิกษุได้สมมุติ12บภิกษุวิกลจริตสิบสามภิกษุต้นบัญญัติสาสังกะสิขาบทที่9จบ